ในวาระสุดท้ายก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงเสด็จดับขันธ์พาณิพานไปพระองค์ได้ส่งประทานพระปัชิมโมวาดที่เป็นคำสอนที่เตือนสติให้พุทธศาสนิกชนไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาท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 ความไม่ประมาทก็หมายถึงควรจะรีบทำเสียตั้งแต่บัดนี้เพราะอนาคตเป็นของไม่แน่นอนไม่มีใครรู้ว่าวาระสุดท้ายของชีวิตของแต่ละคนจะมาถึงเมื่อไรถ้าคอยผัดวันประการพุ่ง คอยเลื่อนไปเรื่อยๆ เ, เวลาก็จะเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆและอาจจะหมดไปได้ทันทีทันใดถ้ารีบทาเสียตั้งแต่บัดนี้ผลต่างๆก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาและก็จะปรากฏได้อย่างเต็มที่ ในเวลาไม่นานประโยชน์ตนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติก่อนที่จะปฏิบัติประโยชน์ของผู้อื่นก็คือทรงปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุถึงพรานที่ผ่านการที่จะทรง บรรลุถึงพระนิพานได้สงต้องปฏิบัติภารกิจในอริยสัจสที่มีอยู่สประการด้วยกันคือหนึ่งทุกต้องกำหนดรู้สองสมุทยัยต้นเหตุของความทุกข์ต้องละ สามนิโรธความดับของทุกต้องทำให้แจ้งสี่มักการปฏิบัติเพื่อการดับความทุกขต้องเจริญให้มากต้องเจริญให้สมบูรณ์นี่คือภารกิจสี่ประการ ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งปฏิบัติถึงทําให้พระองค์ตัดสรุปเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทําให้พระองค์บรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานได้ทําให้พระองค์ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้อยู่ที่ภารกิจทั้งสี่ประการนี้ ผู้ใดก็ตามเช่นพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติภารกิจทั้งสี่นี้เช่นเดียวกันถึงจะบรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกได้พวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าพวกเราต้องการบรรลุธรรมบรร ล, ลุอรหันตผลเราก็ต้อง ปฏิบัติภารกิจทั้งสี่ประการนี้ให้ได้พวกเรานี้ถือว่าโชคดีง่ายกว่าพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านี้ไม่มีใครสอนพระองค์ต้องศึกษาค้นคว้าลองผิดลองถูกด้วยพระองค์เองถึงได้ บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้แต่พวกอรหันตสาวกนั้นไม่ต้องค้นคว้าศึกษาหาทางเองมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงชี้บอกจึงง่ายกว่าพระพุทธเจ้ามากเพราะพระพุทธเจ้านี้เป็นเหมือนกับผู้ที่เดินทางโดยไม่มีแผนที่ แต่พระอลันตสาวกนี้เป็นเหมือนผู้ที่เดินทางที่มีแผนที่บอกทางถึงสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วผู้ที่ได้พบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า จึงได้บรรลุถึงพระนิพพานกันอย่างรวดเร็วได้ง่ายดดยเพราะมีผู้สอนนั่นเอง <c oughs> โอกาสอย่างนี้นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เราได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นเหมือนแผนที่ที่จะพาให้ผู้ที่เดินทางได้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางถ้าไม่มีแผนที่ผู้เดินทางก็จะไม่สามารถเดินไปถึงจุดหมายปลายทางได้ถ้าไม่มีพระธรรมคำสอนอยู่ในโลกนี้ ผู้ปฏิบัตินี้ไม่ว่าจะพยายามมากน้อยเพียงไรก็จะไม่สามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ยกเว้นพระโพธิสัตว์พระ อ, องค์เดียวคือผู้ที่จะตัดสรุวได้ด้วยตนเองเช่นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะสัมมณะโคโดมนี้เป็นเพียงพระ อ, องค์เดียวเท่านั้น ที่สามารถที่จะค้นคว้าหาทางไปสู่พระนิพพานได้ด้วยพระองค์เองผู้อ่นนี้ต้องรอให้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก่อนแล้วนำเอาทำความรู้อันวิเศษที่พระองค์ได้ส่งคนพบคือภารกิจในพระอริยสัจสี่นี้มาเผยแผ่ พวกเราจึงถือว่ามีโชคมีวาสนามีโอกาสที่ได้บรรลุธรรมภายในชาตินี้เลยดังที่ทรงเคยทำนายไว้พยากรณ์ไว้แล้วว่าผู้ใดที่สามารถปฏิบัติตามคำสอนในสติปัฏฐานสี่ได้จะสามารถบรรลุธรรม ได้ภายในเจ็ดวันหรือเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีเป็นอย่างมากไม่ต้องกลับมาเวียน่ายตายเกิดอีกเป็นจำนวนนับไม่ถ้วนชาติกว่าจะได้บรรลุธรรมกันถ้าพวกเราตายไปจากโลกนี้ก่อนที่พวกเราจะได้บรรลุธรรมกัน โอกาสหน้าที่เราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไม่เจอพ ร, พ, พระพุทธศาสนาอีกเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติให้บรรลุธรรมได้เราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งดังนั้น พระองค์จึงทรงตัดสอนไว้ก่อนที่จะจากพวกเราไปว่าจงเร่งความเพียรจงทำประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดก็เคยให้รีบทำเสียตั้งแต่บัดนี้ทำให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้ามีอะไรเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ ก็ควรที่จะทำลายมันอย่าปล่อยให้มันเป็นอุปสรรคขวางกัน้นทำมันยิ่งใหญ่ที่พวกเรามีโอกาสที่จะได้จับจองเป็นเจ้าของถ้าเราไม่สามารถทำลายอุปสรรคขวางกัน้นต่างๆได้เราก็จะไม่สามารถ ที่จะได้ทำอันเลิศอันประเสริฐนี้มาเป็นสมบัติของเราอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ความไม่ประมาทอยู่ที่ความเพียรความไม่ประมาทเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าเราลําลึกถึงความตายอยู่เรื่อยเ ร, ยเราเลึกถึงความไม่แน่นอนของสังขารร่างกายว่าชีวิตของเรานี้ มันจะหมดไปเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอเกิดขึ้นได้กับทุกทุกคนเกิดขึ้นกับเราได้เราอาจจะตายในวันนี้ก็ได้หรือตายในวันพรุ่งนี้ก็ได้ถ้าเราไม่รีบทําเสียตั้งแต่บัดนี้พอเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรกระฐานหันขึ้นมา โอกาสอันเลิศอันประเสริฐนี้ก็จะหมดไปดังนั้นเราจึงควรมาปฏิบัติภารกิจทั้งสี่ประการในพระอริยรรสัจสี่นี้ทุกก็คือความไม่สบายใจที่เกิดจากการไปรับรู้สิ่งต่าง ที่ไม่ชอบใจเช่นไปรับรู้กับเรื่องของความแก่เรื่องของความเจ็บเรื่องของความตายเรื่องของการพัดพรากจากสิ่งต่างๆที่เรารักที่เราชอบต้นเหตุของความทุกข์ใจนี้เกิดจากสมุทยัย คือความอยากเช่นอยากจะไม่แก่อยากจะไม่เจ็บอยากจะไม่ตาย <flip> เวลาเกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายใจก็จะทุกขขึ้นมาเวลาคิดถึงความแก่เราไม่สบายใจทุกข์ใจคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยคิดถึงความตายเราจะไม่สบายใจ เพียงแต่คิดเท่านั้นก็ไม่สบายใจแล้วเราคิดดูสิว่าเวลาที่จะต้องเผชิญกับความจริงมันจะทําความทุกข์ให้แก่เรามากน้อยเพียงไรเราต้องกําหนดรู้ทุกนี้อยู่เรื่อยๆเตือนสติเราอยู่เรื่อยๆว่าเรายังอยู่ภายใต้กองทุกข์อยู่เรายังต้องเจอกับความทุกข์เหล่านี้อยู่ถ้าเรา ยังไม่สามารถละสมุทัยได้ทุกข์ให้กําหนดรู้ก็คือให้รู้อยู่ว่าทุกข์ก็คือความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาดจากกันจะทําให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาและความทุกข์ใจนี้ก็เกิดจากความอยากของใจที่ไม่อยากจะให้ แก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้ร่างกายตายไม่อยากจะพัดพากจากของรักของชอบทั้งหลายไปถ้าอยากจะทาให้ความทุกข์ใจนี้ดับไปคือทำนิโรธให้แจ้งนิโรธก็คือการดับของความทุกข์และต้องทำให้แจ้งต้องดับความทุกข์ให้ได้ ภารกิจของเราก็อยู่ตรงนี้เวลาเกิดทุกข์ขึ้นมาเราต้องดับทุกข์วิธีดับทุกข์เราก็ต้องดับด้วยมรรคเพราะเป็นวิธีที่ถูกต้องวิธีอื่นนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องเช่นเวลาเราเกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจเราก็ไปเที่ยวไปดูละครไปดูภาพยนตร์ ไปทำอะไรสารพัดสารเพททำไปก็จะไม่ดับความทุกข์ได้เพราะความทุกข์เกิดจากตันหาความอยากที่จะต้องใช้มักเท่านั้นถึงสามารถที่จะละตันหาได้หยุดตันหาได้ดับความทุกข์ใจได้ทำนิโรธให้แจ้งได้นิโรธ จะแจ้งได้ก็ต้องอาศัยมรรคมรรคก็คือทานศีลภาวนานี่เองการทำบุญทำทานอย่างต่อเนื่องการรักษาศีลให้บริสุทธิ์และการภาวนาสามถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่แหละที่จะเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการละตัณหา ทำให้นิโรดปรากฏขึ้นมามรรคนี่แหละเป็นผู้กำหนดรู้ทุกข์ก็คือสติปัญญาต้องคอยเจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยๆพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆพิจารณาตายแล้วคืออนิจจงทุกขังอนัตตายอยู่เรื่อยๆถ้ามรรคคือสติปัญญาได้พิจารณาอย่างเนื่องเนือง อย่างต่อเนื่องใจก็จะละตัณหาได้หยุดความอยากได้พอละตัณหาได้นิโรธก็แจ้งขึ้นมาปรากฏขึ้นมานิโรธก็คือการดับทุกข์ก็จะแจ้งขึ้นมาปรากฏขึ้นมาด้วยอานาจของมรรคที่ต้องเจริญให้มากเจริญให้สมบูรณ์ อย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงได้เจริญมรรคอย่างสมบูรณ์แล้วด้วยการเจริพระราชสมบัติเรียกว่าทานแล้วก็ทรงออกบวชเรียกว่าศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็ทรงเจริญส ม, มถาภาวนาด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับ คอยควบคุมจิตใจไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วก็นั่งหลับตาทำใจให้สงบทำใจให้รวมพอใจรวมก็เรียกว่าสมาธิอัปปนาสมาธิรวมตั้งอยู่ในความสงบอยู่ในความนิ่งอยู่ในอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ พอจิตถอนออกจากสมาธินี้ก็จเจริญวิปัสสนาต่อพิจารณาอานิจจงทุกขังอนัตตาทรงพิจารณาสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้ก็ทรงเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้นั้นไม่เที่ยงเป็นอนิจจงได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปต้องหาใหม่อยู่เรื่อยๆ หามาได้เท่าไหร่ก็ต้องหมดไปเท่านั้นจะห้ามไม่ให้หมดไปก็ไม่ได้จะสั่งให้อยู่ไปตลอดกับใจก็สั่งไม่ได้เพราะเขาเป็นอนัตตาถ้าอยากจะให้เขาอยู่อยากให้เขาไม่เปลี่ยนแปลงก็จะเกิดทุกข์ขึ้นมาเวลาที่เขาไม่อยู่เวลาที่เขาเปลี่ยนแปลงไป นี่คือการเจริญมรรคท่านสูงสุดก็คือสติปัญญาวิปัสสนาภาวนาพิจารณาตายลักษการพิจารณาตายลักนี้ก็เรียกว่าเป็นการกำหนดรู้ทุกข์รู้ให้รู้ว่าทุกข์นี้ที่เกิดขึ้นมานี้ก็เพราะว่าเขาไม่เที่ยงสิ่งต่างๆเขาไม่เที่ยง เราไปอยากตัณหาความอยากเป็นตัวสร้างความทุกข์ขึ้นมาไปอยากให้เขาเที่ยงอยากจะให้เขาอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดไม่อยากให้เขาจากเราไปพอไม่ได้ดังใจอยากก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าอยากจะไม่ทุกข์ใจกับเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆเช่นร่างกาย ก็อย่าไปอยากให้เขาเที่ยงอย่าไปอยากให้เขาเป็นของเราไปตลอดเราต้องดูความจริงของเขาแล้วยอมรับความจริงของเขาเขาเที่ยงหรือไม่เที่ยงนางพระอัญญาณกนธัญญาได้กล่าวไว้ว่าตอนที่ได้บรรลุธรรมขั้นแรกสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดา สิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาหรือในความรู้สึกของผู้ปฏิบัติท่านก็จะพูดว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาต้องดับไปเป็นธรรมดาเพราะอำนาจของปัญญาสติปัญญาที่เพชฌณาดดูทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องดับไปมีอะไรบ้างที่ไม่ดับ ร่างกายนี้ก็ดับไปสิ่งของต่างๆที่เราผลิตกันขึ้นมาไม่ช้าก็เร็วมันก็เสื่อมสภาพหมดสภาพไปบ้านเมืองบ้านช่องอะไรต่างๆก็เช่นเดียวกันต่อให้เราสร้างขึ้นมาให้วิเศษขนาดไหนให้แข็งแรงทนทานขนาดไหนในที่สุดมันก็จะต้องเสื่อมไปหมด ไ ม, ไม่ว่าเช่นเดียวกับร่างกายของมนุษย์และของสัตว์เลร้ยฉานก็เป็นเช่นนั้นเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในโลกนี้เลยเพียงแต่ว่ามีของใหม่พอดโผล่ขึ้นมาจึงทำให้รู้สึกว่ามีของจีรังถาวรแต่ของทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานี้ต้องดับไป เพียงแต่ว่าขณะที่ดับไปนั้นก็มีของใหม่ปรากฏขึ้นมาใหม่จึงเลยทำให้รู้สึกว่าไม่มีการดับเช่นจำนวนประชากรในโลกนี้เกิดมากี่คนก็ต้องตายไปเท่าที่เกิดนั่นแหละแต่ถ้าเรามองดูจำนวนประชากรเราจะรู้สึกว่ามันมีมากขึ้นมากขึ้นไม่ได้มีน้อยลงไปนั่นก็เป็นเพราะว่าอัตราของ การเกิดนั้นมันมีมากกว่าอัตราของการตายเท่านั้นเองแต่การเกิดกับการตายนี้มันมีเท่ากันเกิดมาล้านหนึ่งก็ต้องตายล้านหนึ่งเพียงแต่ว่าอัตราการเกิดตอนนี้มันอาจจะเกิดสองล้านแล้วตายเพียงล้านในตอบในระยะเวลาหนึ่งปีจึงทำให้รู้สึกว่าไม่มีคนตายกัน มีแต่จำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นไปแต่ความจริงแล้วคนตายก็มีอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าคนเกิดนี้มีจำนวนมากกว่าก็เลยทำให้เห็นว่ามีประชากรเพิ่มมากขึ้นก็เลยดูเหมือนกับว่าไม่มีคนตายมีแต่คนเกิดแต่ความจริงแล้วในที่สุดก็ต้อง ตายไปหมดเกิดมากี่ล้านคนก็ต้องตายไปเท่ากับจํานวนที่เกิดมาเพราะนี่คือกฎของอนิจจังมีการเกิดต้องมีการดับไปเป็นธรรมดากฎของอนัตตาก็คือไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนกฎนี้ได้ไปห้ามไม่ให้มีการตายได้ไปห้ามไปสั่งให้มีแต่การเกิดอย่างเดียวไม่ได้ ถ้าไปอยากให้เป็นตรงกันข้ามกับความจริงก็จะผิดหวังก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาในหน้าที่ของผู้ปฏิบัติก็คือต้องสอนใจให้ยอมรับความจริงให้ยอมรับอนิจจังให้ยอมรับอนัตตาเพื่อที่จะได้ไม่สร้างความอยากขึ้นมาพอไม่มีความอยากแล้วความทุกข์ก็จะดับไป นี่คือภารกิจสี่ประการที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเจริญต้องปฏิบัติต้องทำให้สำเร็จถึงจะบรรลุถึงพระนิพพานได้ในแต่ละขั้นก่อนที่จะถึงพระนิพพานก็ต้องมีภารกิจในพระอริยสัจ ส, สีนี้ไปตามลำดับ ข, ขั้นพระโสดาบันท่านก็มีอะไรมี กิจในอริยสัจสี่ในขั้นของท่านในขั้นของพระส ก, กิดาคามีพระอนาคามีก็มีเหมือนกันในขั้นของพระอาหารหันต์ก็มีภารกิจเหมือนกันแต่ทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี้มีต่างชนิดกันเท่านั้นเพราะตัณหามีหลายและสิ่งที่ตัณหาอยากได้ก็มีหลายหลายอย่างด้วยกัน จึงมีเป็นขั้นขั้นไปแต่การปฏิบัติในภารกิจในพระอริยสัจสี่นี่ก็เหมือนกันต้องกําหนดดูทุกดูว่าตอนนี้ใจทุกข์กับเรื่องอะไรใจอยากกับเรื่องอะไรแล้วพิจารณาเรื่องนั้นลงไปให้เห็นว่าเป็นตายรักษณว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา หรือถ้าในเรื่องของกามอารมณ์ทุกข์เพราะกามารมณ์ก็ต้องพิจารณาอสุภะคือความไม่น่าดูของร่างกายความไม่สวยงามของร่างกายเพื่อที่จะได้ดับกามอารมณ์ได้กามอารมณ์นี้ก็เป็นผู้ที่สร้างความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาเกิดกามอารมณ์ก็ใจก็จะงดเย็นใจจะไม่มีความสุขจนกว่าจะได้เสบ การมารลมนั้นถึงจะดับไปนี่คือภารกิจสี่ประการด้วยกันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญและเป็นผู้ที่บำเพ็ญโดยที่ไม่มีใครทรงสอนพระองค์เพราะไม่มีใครรู้มาก่อนนั่นเองอย่างที่ได้ทรงตัดไว้ว่าทุกที่ต้องกำหนดรู้เราได้กำหนดรู้แล้ว โดยไม่มีใครมาบอกมาสอนเราตัณหาที่ต้องละเราได้ละแล้วโดยไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนนิโรธคือความดับของทุกข์ที่ต้องทำให้แจ้งเราได้ทำให้แจ้งแล้วโดยไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนมรรคที่จ้องเจริญให้สมบูรณ์เราได้เจริญ อย่างสมบูรณ์แล้วโดยไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนนี่คือภารกิจสี่ประการที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบในพระไทยของพระองค์เองอารยศาสตร์สี่นี้ไม่ได้อยู่ข้างนอกอยู่ข้างในใจทุกข์อยู่ในใจสมุทัยอยู่ในใจนิโรธอยู่ในใจมรรคอยู่ในใจ นี่คือความอัศจรรย์ของพพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีใครเลยที่จะมองย้อนกลับมาดูที่ใจของตนเองและเข้าใจถึงภารกิจทั้งสี่ประการนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าทรงตัดสู้ภารกิจทั้งสี่ประการนี้แล้วนำเอามาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกสัตว์โลกจะไม่มีวันที่จะสามารถ หลุดพ้นจากกองทุกขได้เลยเพราะไม่รู้ว่าความทุกของตนนั้นเกิดจากความอยากของตนเองและไม่รู้ว่าเครื่องมือที่จะดับความทุกขนี้ก็เกิดจากการเจริญมรรคที่มีอยู่ในตนเองนี่นี่คือภารกิจส่วนตนที่ผู้ปฏิบัติต้องทำก่อน ก่อนที่จะไปทําประโยชน์ไปทําภารกิจของผู้อื่นต่อไปอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาหลังจากที่ได้ทรงบรรลุเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วสํําหรับสาเร็จกิจในอริยสัจสี่นี้แล้วพระองค์จึงมาปฏิบัติภารกิจเพื่อผู้อื่นต่อไป ลังที่ได้แสดงไว้ในพุทธกิจห้าประการด้วยกันพุทธกิจห้านี้ก็คือภารกิจที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญทุกวันมีภารกิจสี่ข้อนี้ทรงบำเพ็ญเพื่อผู้อื่นคืออบรมสั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้อื่นส่วนข้อที่ห้าคือการบินทบาทนี้ทรงปฏิบัติเพื่อดูแลรักษาร่างกาย ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นของพระ อ, องค์เองเป็นของผู้อื่นเช่นเดียวกันร่างกายนี้ไม่ใช่ของพระ อ, องค์แต่เป็นเครื่องมือที่พระ อ, องค์ทรงใช้ในการสร้างประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นเช่นในตอนบ่ายพระ อ, องค์จะทรงสอนคารวะญาติโยมสอนธรรมะให้แก่คารวะญาติโยมตอนค่ำก็ทรงสอนธรรมะให้แก่ พระภิกษุสามเณรตอนดึกก็ทรงสอนธรรมะให้แก่เทวดาและตอนเช้าก่อนที่จะทรงเสด็จออกบินทบาททรงเล็งยามดูว่าควรที่จะไปสอนธรรมะให้กใหแก่ผู้ใดดีในวันนั้นผู้ที่มีความพร้อมที่จะรับและบรรลุธรรมแล้วก็ทรงออกบินทบาท นี่คือภารกิจที่ได้ทรงกระทำหลังจากที่ได้ตัดสรลุเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทรงบำเพ็ญภารกิจนี้ถึงสี่สิบห้าปีด้วยกันส่วนภารกิจของพระองค์เองนี้ทรงใช้เวลาหกปีตั้งแต่วันที่เสด็จออกบวชจนถึงวันที่ได้ตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้า เป็นเวลาหกปีด้วยกันแล้วหลังจากนั้นก็ทรงเผยแผ่ธรรมะสั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อทุกวันเป็นเวลาสี่สิบห้าปีแล้วหลังจากนั้นก็ทรงเรรสด็จละดับขันธปานิพานธ์ปล่อยวางร่างกายที่หมดสภาพไป แล้วก็ส่งประทับอยู่ในพระนิพพานมาจนถึงปัจจุบันนี้พระไทยของพระองค์นั้นไม่ได้สูญสลายไปกับพระศารีระร่างกายของพระองค์พระศารีระของพระองค์หลังจากได้ทําการชาปนากิจแล้วถวายพระเพลิงแล้วก็กลายเป็นพระาธาตุไปเป็นพระบร ม, มรีสารีลิกาธาตุที่พวกเรา นำมาบรรจุไว้ในเจดีเพื่อกลาวไหว้สักการะบูชาเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราเลิกถึงพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้ศึกษาและปฏิบัติตามที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนเพื่อเป็นการถวายเป็นปฏิบัติบูบชาที่เป็นสิ่งที่พระองค์ปรารถนาะ จากพุทธศาสนิกชนทรงปรานาให้พุทธศาสนิกชนนี้บูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาเพราะจะทาให้ได้รับประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติเองตัวพระพุทธเจ้านี้ไม่ต้องการประโยชน์อะไรจากใครแล้วเพราะทรงมีประโยชน์เต็มเปี่ยมอยู่ในพระไทยแล้ว ไม่สามารถรับประโยชน์เพิ่มขึ้นมาได้แล้วแต่สิ่งพระองค์ทรงปรารถนาในการที่แสดงธรรมเผยแผ่ธรรมให้แก่สัตว์โลกก็เพื่อให้สัตว์โลกได้รับประโยชน์จากพระธรรมคาสอนที่ทรงเผยแผ่นั่นเองจะได้รับประโยชน์ก็ต้องใช้การปฏิบัติบูบชานี้ถ้าเราอยากจะทดแทนบุญคุณของพระพุทธเจ้าอยากจะ แสดงความจงรักภักดีแสดงความกตัญญูกตวเวทีแสดงความรักความเคารพต่อพระพุทธเจ้าก็ขอให้เราแสดงด้วยการปฏิบัติบูชานี้การปฏิบัติบูชาก็คือการเจริญมรรคให้สมบูรนี่ถ้าเรามีมรรคแล้วเราก็จะมีเครื่องมือที่จะกำหนดดูทุกข์ได้ มีเครื่องมือที่จะละปัญหาได้มีเครื่องมือที่จะทำนิโรธให้แจ้งได้ทั้งหมดนี้อยู่ที่การเจริญมรรคก็คือการเจริญทานศีลภาวนานี่เองอย่างที่พวกเราได้มาทำกันอย่างต่อเนื่องเราต้องทำให้มากขึ้นไปตามลําดับจนกว่าทานจะสมบูรณ์จนกว่าศีลจะสมบูรณ์ จนกว่าภาวนาจะสมบูรณ์ถึงจะสามารถดับความทุกข์ได้ละตัณหาได้ทำนิโรธให้แจ้งได้นี่คือสิ่งที่เราต้องทำกันก็คือภารกิจในพระอริยสัจสี่นี้ด้วยการเจริญมรรคด้วยการทำทานเพิ่มขึ้นไปตามลำดับจนกว่าเราจะทำได้เต็มร้อย รักษาศีลก็รักษาศีลเพิ่มขึ้นไปตามลำดับจนเราสามารถรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ตลอดเวลาภาวนาเราก็ต้องภาวนาเพิ่มขึ้นไปตามลำดับจนเราสามารถภาวนาได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยเช่นตื่นขึ้นมาก็เจริญสติการเจริญสตินี้ก็ถือว่าเป็นการภาวนาแล้ว เพราะสมถะภาวนาจะเกิดผลขึ้นมาได้ก็อยู่ที่การเจริญสตินี่เองถ้าไม่มีสติแล้วจะไม่สามารถที่จะทำให้สมถะภาวนาเกิดผลขึ้นมาได้คือจิตจะไม่รวมจิตจะไม่สงบจิตจะไม่เป็นหนึ่งจิตจะไม่เป็นอุเบกขาจิตจะไม่มีความสุขสติเป็นธรรมที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการเจริญมรคให้สมบูรณ์แต่ก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากศีลและจากทานนั่นเองเพราะถ้ายังไม่ทำทานให้สมบูรณ์ยังมีภารกิจที่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆอยู่การเจริญสติให้อย่างต่อเนื่องก็จะเป็นการยากหรือการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็จะ ยากดังนั้นการภาวนาจึงต้องอาศัยศีลเป็นเครื่องสนับสนุนและศีลก็ต้องมีทานเป็นเครื่องสนับสนุนการทำทานจึงเป็นการเจริญมรรคในเบื้องต้นเรามีอะไรที่เราไม่ต้องใช้ไม่ต้องเก็บเอาไว้ที่เป็นภาระกับเราเราควรจะตัดมันไป เป็นสิ่งที่มันดึงเวลาอันมีค่าของเราไปไม่ให้เราได้ไปปีกวิเวกไม่ให้เราได้เจริญสติเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเราต้องตัดมันไปด้วยการให้ผู้อื่นไปทำทานไปเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายมาเสียเวลาแล้วเราก็จะ ทำให้เรารักษาศีลได้บ่อยสุดถ้าเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการหาเงินหาทองดูแลรักษาเงินทองการรักษาศีนนี้บางทีก็ไม่สามารถรักษาได้ถ้าเราอย่างต้องหาเงินหาทองอยู่หรือรักษาเงินทองอยู่ถ้าเราไม่ต้องดูแลไม่ต้องรักษาเงินทอง เรามีอะไรเราสงเคาะ์ให้แก่ผู้อื่นไปใจของเราก็จะมีความเมตตาไม่คิดไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นทำให้การรักษาศีลนี้เป็นไปอย่างง่ายดายใจที่มีศีลก็เป็นใจที่จะสงบในระดับหนึ่งต่างกับใจที่ไม่มีศีลจะมีความวิตกกังวลวุ่นวายเกี่ยวกับ การทำผิดศีลข้อนั้นหรือข้อนี้ก็จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเจริญสติต่อการเจริญสมถภ า, าวนาได้ถ้าศีลบริสุทธ์ก็จะไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคต่อการเจริญสติเพื่อให้จิตสงบรวมเป็นสมาธิได้เพื่อให้จิตไปปีกวิเวกได้คนที่ทำผิดนี้มักจะไม่ชอบไปอยู่ที่เปี่ยวที่น่าที่น่ากลัว เพราะกลัวภัยที่จะเกิดขึ้นกับตนเพราะเหตุที่ไปทาผิดศีลแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำผิดศีลนี้จะไม่มีความรู้สึกหวาดตัวกับสถานที่เปลี่ยวที่เงียบ<ม>การจะเจริญสติได้ผลดีจะเจริญสมถะภาวนาเพื่อให้ได้ผลดีจำเป็นต้องไปอยู่ที่เปลี่ยวที่เงียบอยู่ตามลาพัง นี่คือเหตุผลที่เราต้องเจริญทานและศีลก่อนเพื่อที่จะได้เป็นการเตรียมใจให้พร้อมกับการไปอยู่ที่ปีกที่เปรี่ยวที่สงบที่น่ากลัวเพื่อที่เราจะได้เจริญสมถภาวนาเพื่อให้เกิดผลเพื่อทำให้ใจรวมเข้าสู่สมาธิทำให้ใจมีความสุข จากการอยู่ในสมาธินั้นแล้วจะทําให้สามารถต่อสู้กับตัณหาความอยากที่จะคอยดึงให้ใจออกจากที่ปีกวิเวกให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสผดเพะให้ไปหาบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ถ้าใจมีความสุขจากความสงบแล้วจะไม่อยากไปถ้าใจยังไม่มีความส สุขอยากความสงบใจจะดินใจจะถูกกิเลสตัณหาคอยคอยหลอกคอยล่ อ, อ, ลอให้หวนกลับไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่ดังนั้นจึงต้องพยายามให้มากในการเจริญสติเพื่อทำใจให้รวมเป็นสมาธิให้ได้เพื่อที่จะได้มีกำลังไว้ต่อสู้กับตัณหาต่าง ที่คอยออกมารุมเร้าจิตใจอยู่ตลอดเวลาสติกับสมาธินี้จะช่วยได้ในระดับหนึ่งถ้ามีสติคอยควบคุมความคิดปัญหาความอยากต่างๆก็จะออกมาได้ยากถ้าเจิตได้สมาธิได้ัความสงบจิตก็จะมีความสุขมีความพอพอที่จะ ต่อสู้กับความอยากที่จะเกิดขึ้นได้แต่ความอยากนี้จะไม่ตายไปจากกำลังของสติและกำลังของสมาธิเวลาออกจากสมาธิมาถ้าเผลอสติเมื่อไหร่ตัณหาความอยากก็จะออกมารุมเล้าจิตใจทันทีถ้าอยากจะทำลายตัณหาความอยากให้หมดไปอย่างท้าวรก็ต้องใช้ วิปัสสนาภาวนาหรือปัญญานี้พิจารณาไตรลักษณ์เท่านั้นพิจารณาอสุภะถึงจะสามารถที่จะต่อสู้กับตัณหาความอยากต่างๆได้เช่นการมตัณหาความอยากในกามอารมณ์ต่างๆความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะรูปก็รูปของถ้าหญิงที่ชอบชายก็จะก็ต้องทำลายรูปของผู้ชาย ด้วยการพิจารณาอสุภะดูความไม่สวยงามของร่างกายของผู้ชายถ้าผู้ชายชอบผู้หญิงก็ต้องพิจารณาความไม่สวยงามของรูปของผู้หญิงอันนี้มันถึงจะสามารถที่จะทำลายปัญหาความอยากได้อย่างท้าวอนต้องกลับทำลายด้วยอสุภะดูส่วนที่ไม่สวยงาม ส่วนอย่างอื่นลูกเสียงกลิ่นรสอย่างอื่นก็พิจารณาความไม่เที่ยงมันให้ความสุขเราเดี๋ยวเดียวดื่มปั๊บมันก็มีความสุขพอหยุดดื่มความสุขนั้นก็หายไปความอยากจะดื่มใหม่ก็กลับคืนมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มชนิดใดก็ตามคนเราจึงต้องดื่มอยู่แล้วซ้ำเซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะดื่มเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ ดื่มแล้วกลับทำให้เกิดความหิวความอยากจะดื่มเพิ่มขึ้นอีกนี่คือสิ่งที่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาพิจารณาอสุภะพิจารณาอนิจจพิจารณาอนัตตาพิจารณาทุกขังที่เกิดจากความอยากพิจารณาทุกขังที่เกิดจากการสูญเสียสิ่งที่ติดสิ่งที่อยาก เวลาได้มาก็มีความสุขเดียวเดียวและเวลาหมดไปก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่แบบไม่มีความอยากไม่ได้แต่ถ้ามีปัญญาคอยทำลายต่อไปความอยากก็จะหมดไปถ้าไม่ทำตามความอยากทุกครั้งที่ผล่ขึ้นมาความอยากก็จะอ่อนกำลังไปตามลำดับและหมดกาลังไปในที่สุด หลังจากนั้นแล้วใจก็จะไม่ต้องกังวลกับเรื่องของความอยากถึงแม้อาจจะมีโผลขึ้นมาทดสอบใจก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะหยุดมันได้แล้วเลิกมันได้แล้วมันจะโผล่ขึ้นมาก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนี่คือเรื่องของภารกิจในอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชน ได้ทำกันได้ปฏิบัติกันเพราะเป็นภารกิจที่จะปลดเรื่องความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้ให้สิ้นสุดลงไปเป็นปุญเป็นโชคของพวกเราของพุทธศาสนิกชนที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับ พอทาคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เรียนรู้ถึงภารกิจในพระอริยสัจสี่นี้เมื่อเรียนรู้แล้วสิ่งที่ต้องกระทาต่อไปก็ต้องทำก็ต้องปฏิบัติตองนั้นต้องกำหนดทุกกำหนดทุกโดยอะไรก็ต้องกำหนดทุกด้วยมรรคก็คือสติปัญญาต้องเจริญมนานุสสติอยู่เรื่อยเกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดา ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายไปเป็นธรรมดาต้องพัดพลากจากกันเป็นธรรมดาต้องประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาเป็นธรรมดานี่คือการเจริญมรรคคือสอนใจให้รู้ถึงกองทุกข์ที่จะต้องเผชิญแล้วก็พิจารณาให้เห็นว่ากองทุกข์เหล่านี้เกิดจากตัญหาความอยาก อยากในกามในรูปเสียงกลิ่นธธรสโผฏฐัพพะอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็คืออยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้นั่นเองเช่นร่างกายก็อยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายนแต่เมื่อร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้ก็ต้องใช้มรรคพิจารณามรรคก็คือ ใจรักนี้เองพิจารณาให้เห็นใจรักแล้วก็จะละปัญหาได้ทำนิโรธให้แจ้งได้คือการดับทุกคือการิ้นดับของความทุกจะปรากฏขึ้นมาก็ต่อเมื่อมีมรรค่าทำลายสมุ ท, ทยัยคือความอยากต่างๆมีมรรคเท่านั้นที่จะทาลายสมุทัยได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถทำลายสมุทัยได้ ไม่มีอะไรที่จะทำลายตัณหาความอยากต่างๆได้ต่อให้มีเงินมากน้อยเพียงไรก็ตามมีตาแหน่งสูงมากน้อยเพียงไรก็ตามมีคนยกย่องสรรเสริญมากน้อยเพียงไรก็ตามมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมากน้อยเพียงไรก็ตามก็จะไม่สามารถทำลายละตัณหานี้ได้แต่กลับจะทำให้มีตัณหาเพิ่มขึ้นมามากขึ้นไปอีก คนที่ได้เงินระดับหนึ่งก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นไปกระดับหนึ่งได้มาแสนหนึ่งก็อยากจะได้ล้านหนึ่งได้ล้านหนึ่งก็อยากจะได้สิบล้านนี่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ตัญหาน้อยลงไปไม่ได้ละตันหาแต่กลับเพิ่มตัญหาความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นถ้าเราใช้วิธีเหล่านี้เป็นการดับทุกข์ก็เป็นการดับทุกข์ด้วยวิธีที่ผิด เพราะไม่ดับทุกแต่เพิ่มความทุกข์เพิ่มสมุทยขึ้นมาเหมือนแทนที่จะดึงเอาเอาฟืนออกจากกองไฟกับโยนฟืนเพิ่มเข้าไปให้มากขึ้นฟืนก็คือตัณหาความอยากต่างๆนี้เองไฟลุกขึ้นมาได้ก็เพราะมีฟืนถ้าไม่มีฟืนไฟก็จะต้องดับไปเพรานะฉะนั้นถ้าต้องการดับไฟก็ต้องดึงฟืนออกอย่าอย่าโยนฟืนใส่เข้าไปในกองไฟ เช่นเดียวกับความทุกข์ใจก็เกิดจากความอยากต่างๆถ้าต้องการดับความทุกข์ใจก็ต้องถอนความอยากต่างๆออกมาไม่ใช่เพิ่มความอยากให้มีมากขึ้นได้แสนแล้วก็อยากได้ล้านอย่างนี้แสดงว่าเพิ่มตันหาวิธีการก็คือได้แสนแล้วอยากจะให้เหลือหมื่นหนึ่งเอาไปทําบุญสักเก้าเก้าหมื่นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการถอนตันห่าละตันหา การอยากให้มีน้อยลงไปเรื่อยๆจนถึงศูนย์อันนี้แหละเป็นการละตันหาแต่การอยากที่จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเป็นร้อยล้านพันล้านนี้เรียกว่าเป็นการเพิ่มตัญหาเพิ่มความทุกข์นั้นอย่าไปคิดว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันจะดับความทุกข์ดับละตันหาให้เราได้เราต้อง ละสิ่งเหล่านี้ตัดสิ่งเหล่านี้ไปให้หมดให้ได้เท่านั้นถึงจะละตัณหาได้ละ ล, ะ ล, ะละ า, ใาบให้ได้ละยศให้ได้สละยศให้ได้สละทรัพย์ให้ได้สละลาบให้ได้สละสรรเสริญให้ได้สละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสละองค์ทรงสรละลาบยศสรรเสริญสุขแล้วก็ไปอยู่บําเพ็ญในป่าไม่มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่มีลาบยศสรรเสริญแต่ผลที่พระ อ, องค์ทรงได้รับนี้กลับเป็นผลที่ไม่มีใครในโลกนี้ได้รับมาก่อนคือปรมังสุขขังการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดการได้พบกับบรมังสุขคือความสุขที่แท้จริงแลถาวรเกิดขึ้นเกิดจากการสละสิ่งต่างๆไปให้หมดเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่จะดับความทุกข์แต่จะเป็นเครื่องมือเสริมความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเราจึงต้องละสละด้วยการทำทานสละลาบยศสละเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลแปดด้วยการภาวนานี่แหละคือภารกิจที่พวกเราต้องทำคือมักต้องเจริญให้สมบูรณ์ จเจริญให้มากถ้าเราสามารถจเจริญมากให้สมบูรณ์ได้แล้วเราก็จะละปัญหาได้เราก็จะทำทุกข์ให้แจ้งได้นิโรธให้แจ้งได้การดับของความทุกข์ให้แจ้งได้เมื่อเราเสร็จภารกิจของเราแล้วทีนี้เราจะไปทาภารกิจช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใรแต่ตอนนี้ถ้าเราไปทาภารกิจของผู้อื่นก่อนที่เราทราภารกิจของเราเสร็จ ภารกิจของเราก็จะไม่มีวันเสร็จบวแต่ไปยุ่งกับภารกิจของผู้อื่นประโยชน์ของผู้อื่นไปช่วยคนนั้นไปช่วยคนนี้แต่ตัวเองกับไม่ช่วยตัวเองก่อนในที่สุดก็จะตายเปล่าตายมาเกิดมาแล้วไม่ได้อะไรติดตัวไปไม่ได้วิมุติในการหลุดพ้นติดตัวไปไม่ได้ประมังสุ ข, ขังติดตัวไปได้แต่ความอยากที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป ติดตัวไปเกิดไปกี่ภพกี่ชาติก็จะไปคิดช่วยเหลือผู้อื่นก่อนที่จะมาคิดช่วยเหลือตัวเองนี่เป็นการเดินผิดทางกับที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติพระเจ้าทรงสอนให้ช่วยตัวเองก่อนบำเพ็ญประโยชน์ของตนก่อนแล้วค่อยไปบำเพ็ญประโยชน์ของผู้อื่นอย่างที่พระสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติตามมาพระสาวกทุกพระองค์นี้ทรง ได้ปฏิบัติภารกิจของตนเองก่อนถึงค่อยไปทําภารกิจของผู้อื่นครูบาอาจารย์ในยุคสมัยปัจจุบันที่เรารู้จักท่านก็ทำอย่างนี้หลวงปู่มั่นท่านก็ไปทําประโยชน์ของตนก่อนแล้วค่อยมาทําประโยชน์ของผู้อื่นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟัน้นหลวงตามหาบัวท่านก็ต้องทําภารกิจของท่านก่อน ทำประโยชน์ของท่านก่อนเมื่อท่านเสร็จกิจแล้วเสร็จภารกิจของท่านแล้วทำประโยชน์ของท่านได้สมบูรณ์แล้วท่านจึงมาทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปพวกเราก็ต้องทำอย่างนี้ถ้าเราทำกับกันเราก็จะไม่มีวันที่จะทำภารกิจของเราให้เสร็จได้เมื่อทำภารกิจของเราไม่ให้เสร็จได้เราจะทำภารกิจของผู้อื่นให้เสร็จได้อย่างไรก็ขอให้พวกเราจงระลึกถึง ภารกิจสี่ประการนี้ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบไว้ให้กับพวกเราปฏิบัติคือทุกต้องกำหนดรู้สมุทยัยต้องละนิโรธต้องทำให้แจ้มมรรคต้องเจริญให้สมบูรณ์ขอให้เอาไปเป็นสติเตือนใจและรีบเร่งปฏิบัติกันด้วยความไม่ประมาทเพราะเวลามันจะหมดไปเรื่อยๆและอาจจะหมดไปอย่างทันทีทันใดก็ได้ การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผร อ, อยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลรังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานาังอุปกบปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจจตุ สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสพีติโยวิวาจันตุสัพพารโคลเวนสตุมาเตภวตวันตาราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาฒนสีริสนิจจังวุฒาปจายโน จะตาโรธรมมาวาทานติอายุวนโนสุขังพาลังแนานลำดับต่อไปก็จะเป็นการตอบปัญหาถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีปัญหาอยากจะถามก็ขอเชิญขึ้นมาถามได้ขอให้ถามผ่านทางไมโครโฟน เพื่อผู้อื่นจะได้ฟังได้รับประโยชน์เพราะเราก็จะมีปัญหาคล้ายๆกันพวกเราทุกคนมีตัณหาเหมือนกันมีความทุกข์ใจเหมือนกันถ้าเรายังไม่เกิดกับเราฟังของคนอื่นก่อนเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเผื่อรับกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราต่อไปก็ได้ถ้าไม่มีก็ขอเชิญ ถามจากทางบ้านก่อนต่อไปเป็นคำถามจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะคำถามแรกจากคุณูุทิชัยทาระบุตรข้อที่หนึ่งกระผมเคยนั่งภาวนาไปจนถึงลมหายใจเข้าออกไม่มีมีแต่พุทโธและจิตดิ่งลงรวมเป็นเอกคกตาลมรู้เฉยร่างกายไม่มี จิตโดดิ่งลงลึกมีแต่ปิติสุขและจิตเป็นกลางเพ่งอยู่อันนี้เขาเรียกว่าฌานหรือสมาธิครับก็เป็นสมาธินะในที่สุดมันต้องปิติสุขอะไรก็ต้องหมดไปก่อนก่อนที่จะสงบเต็มที่ก็จะมีปิติมีสุขแล้วพอรวมลงเต็มที่แล้วก็จะเหลือแต่อุบเบกคาเหลือแต่สักแต่ว่ารู้ ถ้าอยู่อย่างนั้นก็ปล่อยให้เขาอยู่ของเขาไปอย่าไปยุ่งอย่าไปดึงเขาออกมาอย่าไปคิดถึงเรื่องการที่จะเจริญปัญญาในเบื้องต้นนี้เราต้องการที่จะสร้างความสงบให้กับใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และสร้างความชำนานในการเข้าสู่สมาธิให้ชำนานเพราะถ้าเราดึงใจออกมาขณะที่ใจยังไม่พร้อมยังไม่อยากจะออกมา ต่อไปเวลาเราจะเอาให้เขาเข้าไปจะเข้าไปยากเั้นเวลาเขาสงบอย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยให้เขาสงบไปนานๆจนกว่าเขาจะถอนขึ้นมาเองพอเขาอิ่มตัวแล้วเขาก็จะถอนออกมาเข้ามาสู่ความคิดปรุงแต่งต่างๆ ต, ตอนนั้นก็ถ้าอยากจะเจริญปัญญาก็เอาความคิดปรุงแต่ง ให้มาคิดเกี่ยวกับเรื่องใจรักเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเรายังไม่พร้อมเราก็จเจริญสติต่อเพื่อที่จะรักษาความสงบความว่างจากความคิดปรุงแต่งเอาไว้แล้วพอเราอยากจะกลับเข้าไปใหม่แล้วก็กลับมานั่งใหม่พยายามซ้อมหรือฝึกการเข้าสมาธิให้ชํานาญจนเราสามารถเข้าได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็วและทุกเวลาที่เราต้องการเราจะถามข้อต่อไปค okay. าถามข้อที่สองจากท่านเดิมนะคะกล่าวผมไปนั่งภาวนาตามวัดพอจิตเริ่มสงบมักได้กลิ่นหอมมากเหมือนกลิ่นเทพเทวดาท่านมาโมธนาหรือเปล่าครับสัมผัสได้ตลอดครับถ้าเราได้สัมผัสกับอะไรก็ให้เรา รู้สิ่งที่เราสัมผัสท่นั้นอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปคาดคะเนว่าเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นเทพเขาก็ต้องปรากฏให้เราเห็นเขาก็ต้องทักทายเราสนทนากับเราได้ถ้าเป็นกลิ่นก็ขอให้รู้ว่าเป็นกลิ่นให้สักแต่ว่ารู้รู้ตามความเป็นจริงอย่าไปปรุงแต่งเพราะอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้อาจจะตรงก็ได้ แต่เราไม่ควรที่จะไปวาดภาพหลอกตัวเราเองให้รู้ว่าเป็นกลิ่นให้รู้ว่าเขาเกิดแล้วเดี๋ยวเขาก็ดับไปถ้าเราไม่ไปให้ความสาคัญกับเขาไม่ให้ความอยากกับเขาเราก็จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนถ้าเราไปชอบอยากจะให้เขาอยู่พอเขาหมดไปเราก็จะไม่สบายใจ หรือถ้าเป็นกลิ่นที่เราไม่ชอบเช่นเป็นกลิ่นซากศพเราก็อาจจะทุกข์ขึ้นมาได้แต่ถ้าเรามีจิตที่เป็นกลางเป็นอุเบกขาเราก็จะเฉยกับกลิ่นทั้งสองแบบได้กลิ่นหอมก็เฉยได้กลิ่นเหม็นก็เฉยได้เราต้องใช้หลักของปัญญาเสมอพิจารณาทุกอย่างที่เรารับรู้ว่าเป็นใจรักว่าเขาเกิดแล้วเขาดับไป เราไม่สามารถที่จะไปสั่งไปเลือกให้เขาเป็นกลิ่นแบบนั้นหรือเป็นกลิ่นแบบนี้เขาจะเป็นกลิ่นแบบไหนก็รับรู้ไปอย่าไปทุกข์กับเขาเป้าหมายอยู่ตรงนั้นพอทุกข์แล้วก็เท่ากับเราหลงเท่ากับเราไม่ได้ผลจากการปฏิบัติข้อที่สามจากท่านเดิมนะคะกระผมชอบนิมิตรู้เหตุการ์ล่วงหน้า และหลวงปู่คูบาอาจารย์ท่านเมตตามาหาอย่างองค์หลวงตามหาบัวหลวงปู่อุทัยและพระอาริยสงฆ์อรหันตสายหลวงปู่มั่นหลายองค์ครับท่านมาสอนทาบ้างมาเมตตาในนิมิตแสดงว่าจิตเหล่านี้มีสมาธิระดับไหนครับ และกระผมจะหาอุบายทรรมใดมาสอนใจตนเพื่อตามรอยทรรมองค์หลวงปู่ครูบาอาจารย์เพราะกระผมยังไม่ค่อยฉลาดเลยครับก็ถ้าท่านมาสอนก็ตั้งใจฟังแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติตามที่ท่านสอนก็เหมือนกับไปพบกับท่านโดยตรงการที่ท่านมาผ่านทางนิมิตก็ ก็เหมือนกันอย่างที่เราก็ไปพบกับญาติโยมสิงคโกระปผ่านทางสกายส์สิ่งที่ควรจะให้ความสำคัญก็คือธรรมะคำสอนไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดก็เหมือนกันจะอยู่ต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้าจะอ่านหนังสือพระไตรปิฎกจะฟังเทศน์ฟังธรรมจากหลวงปู่หลวงตาต่างๆ ต, ต, ต่อหน้าท่าน หรืออยู่ในฝันหรืออยู่ในสมาธิก็เหมือนกันคือประเด็นสาคัญก็คืออยู่ที่คำสอนนี่เองว่าเราจะน้อมเอามาจดจำและนำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลได้หรือเปล่าให้เอาตรงนี้อย่าไปสนใจว่าเป็นใครเป็นมาแบบไหนเป็นสมาธิแบบไหนไม่สาคัญบางทีนอนหลับฝันก็อาจจะมี กูบาอาจารย์มาสอนธรรมะในฝันก็มีบางทีมาในขณะที่เรานั่งสมาธิก็มีเหมือนกันเป้าหมายก็คือธรรมะคาสอนเหมือนกับคนที่ส่งข้อความส่งจดหมายข่าวสารมาให้เราจะส่งมาทางไปรษณีย์ก็ได้ส่งมาทางไลน์ก็ได้ส่งมาทาง facebook ก, ก็ได้มันก็คืออันเดียวกันคือ คือข้อความทนั้นที่เป็นตัวสําคัญฉะนั้นขอให้เราอย่าไปหลงประเด็นแล้วอย่าไปคิดว่าเราวิเศษจากการที่มีครูบาอาจารย์ท่านมาแทมาสอนเพราะว่าเราจะวิเศษก็ต่อเมื่อเราดับกิเลสตัณหาได้เท่านั้นเราละดับความทุกข์ได้เท่านั้นคําถามต่อไปจากคุณอัตพงการกําหนดสติในชีวิตประจําวันนั้นทําอย่างไรครับ ก็ให้ใจอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆเช่นเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปทั้งวันก็ได้ไม่ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปยกเว้นเวลาที่เราต้องใช้ความคิดกับงานที่เราทำํำเราก็หยุดบริกรรมพุทโธไว้ชั่วคราวพอเราเสร็จจากการใช้ความคิดกับเรื่องของการงานไม่ต้องใช้ความคิดแล้วก็กลับมาพุทโธต่อ อย่าปล่อยให้ใจคิดเพ้อเจ้าคิดคิดเพ้อฝันคิดแบบไม่มีขอบไม่มีเขตคิดแล้วก็สร้างความฟุ้งซ่านสร้างความอยากต่างๆขึ้นมาถ้าเราสามารถควบคุมความคิดเหล่านี้ได้ใจเราจะตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเวลานั่งสมาธิใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้คำถามต่อไปจากคุณโบพงศกรการภาวนาพุทโธ คือการหลับตาท่องพุทโธพร้พอมกับนึกภาพตัวอักษรพุทโธไว้ในใจเรื่อยๆถูกไหมครับแต่ละคนก็มีอุบายที่ไม่เหมือนกันวิธีไหนก็ได้ที่ทําให้เราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุทโธอย่างเดียวจะพุทโธไปแล้วนึกถึงตัวอักษรไปก็ได้จะพุทโธไปแล้วเลิกถึงพระพุทธรูปก็ได้อันนี้ไม่มีข้อกําหนดตายตัว เป้าหมายของของการบริกรรมของการเจริญสตินี้ก็เพื่อให้ใจหยุดความคิดปรุงแต่งต่อไปเป็นคำถามจากคุณเสวณีปีดาวันทำไมค่าตัวเองตายถึงบาปหนักกว่าค่าผู้อื่นหรือสัตว์คะทั้งๆ ท, ที่ก็หนึ่งดวงจิตเช่นกันเพราะว่าไม่มีอะไรจะมีคุณค่ายิ่งกว่าตัวของเราเอง โทษจะหนักจะเบาอยู่ที่คุณค่าของสิ่งที่เราค่าถ้าเราค่ามดนี้กับค่าไก่นี้ไก่มันมีคุณค่ากว่ามดเพราะเรากินไก่ได้หรือไก่มันมีประโยชน์มันทำประโยชน์มันฟักไข่ให้เราให้เรามีไข่กินค่าคนธรรมดากับค่าพ่อแม่ก็มีความไม่มีบาปหนักเบาต่างกันเพราะพระคุณของพ่อของแม่นี้มีพระคุณมากกับเรามากกว่าคนอื่น ดังนั้นบุคคลที่มีคุณประโยชน์มากก็ไปท่าท่านก็จะบาปมากเช่นอนันตาริยกรรมก็มีอยู่ห้าประการด้วยกันหนึ่งฆ่าพ่อสองฆ่าแม่สามฆ่าพระอารหรนันต์นี่ถือว่าหนักบาปเพราะท่านบุคคลเป็นบุคคลที่มีพระคุณมากกับพระพุทธเจ้านี้ยังไม่ต้องถึงกับฆ่าเลยเพียงแต่ทำให้พระองค์ห้อเลือดก็ถือว่าบาปหนักแล้ว เพราะมีเจตนาร้ายมีความปรารถนาร้ายต่อผู้มีพระคุณที่จะช่วยให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ถ้าเราไปทำร้ายท่านแล้วแล้วใครจะมาสอนให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้เช่นเดียวกับร่างกายของเราถ้าเราไปฆ่าร่างกายของเราแล้วเราจะเอาอะไรมาปฏิบัติทำได้ร่างกายของเรานี่มีคุณค่ากับเรามากในเรื่องของการที่จะพาให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด พราะว่าถ้าไม่มีร่างกายเราก็ไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้ไม่สามารถมาฟังเทศฟังธรรมอย่างที่เรากระทํากันอยู่ในขณะนี้ได้เราต้องมีร่างกายดน้นการที่เราฆ่าร่างกายของเราซึ่งเป็นของที่เรารักมากที่สุดมีคุณค่ามีคุณประโยชน์กับเรามากที่สุด mm. ก็เลยถือว่าเป็นหนักบาปที่หนักเป็นบาปที่หนักเพราะว่ามันจะติดเป็นนิสัยไปด้วยเกิดเราจะไม่มีวันที่จะเจริญ ก้าวหน้าไปในทางธรรมได้เลยเพราะทุกครั้งที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเรามาเจออุปสรรคเจอความทุกข์ใจเราจะไม่มีกําลังที่จะศึกษาพระธรรมและนําพระธรรมคําสอนมาปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์เลยเราก็จะคิดฆ่าตัวตายเพราะเป็นการแก้ปัญหาแบบมักง่ายแบบง่ายๆพอทุกข์มากๆากไม่รู้จะทําอะไรก็ฆ่าตัวตายมันก็จะติดเป็นนิสัยไปทุกภพทุกชาติท่านถึงมีคําพูดไว้ว่า ฆ่าตัวตายแล้วจะต้องไปฆ่าตัวตายอีกห้าร้อยชาติต่อไปเป็นคําถามจากมีผู้ฝากถามนะคะข้อที่หนึ่งต้องเพียรขนาดไหนถึงจะบรรลุธรรมคะก็ตั <c oughs> ้งแต่ตื่นจนหลับเนะีตื่นขึ้นมาก็ต้องเจริญสติแล้วถ้ายังไม่มีสติก็ต้องเจริญสติก่อนเมื่อจะมีสติแล้วก็ต้องนั่งสมาธิให้มากๆนั่งให้บ่อยๆ นั่งจนกว่านั่งไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเดินเดินจนเมื่อยแล้วก็กลับไปนั่งใหม่อย่าไปทำภารกิจอย่างอื่นจะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องเป็นนักบวชข้อที่สองบรรลุธรรมแล้วจิตอรหันแล้วเสื่อมไหมคะไม่เสื่อมไม่เสื่อมจิตของพระอริยแต่ละขั้นนี้ไม่เสื่อมจากขั้นที่ท่านได้บรรลุ พระโสดาบันก็จะไม่เสื่อมจากเป็นการเป็นโสดาบันพระสกิดาคามีก็จะไม่เสื่อมจากการเป็นพระสกิดาคามีพระอนาคามีก็จะไม่เสื่อมจากการเป็นพระอนาคามีพระอรหันต์ก็จะไม่เสื่อมจากการเป็นพระอรหันต์ข้อที่สามสุขในายานกับสุขในความสงบเหมือนหรือต่างกันตรงไหนคะคือสุขในายานนี้มันไม่มีเ้าเรียกสุขในฌาน ฌานก็คือความสงบนี่เองถ้ายานนี้เป็นความรู้ก็จะเรียกก็เป็นความสุขอีกแบบก็ได้ความรู้ที่ทําให้เราดับความทุกข์ได้นั่นเองก็คือยานก็เรียกอาสวะขยักยานอาสวะขยักขยา น, าา ย, ย, านยานที่อย่างรู้ว่าไม่มีอาสวะไม่มีกิเลสตัณหาอยู่ในใจเราแล้ ว, ล, วละกิเลสตัณหาได้แล้วพอละได้แล้วความทุกข์ก็ดับไปความสุขก็ ข้อที่สี่คำว่ามีดวงตาเห็นธรรมมีความหมายอย่างไรเป็นโสดาปฏิผลหรือเป็นโสดาปฏิมร ค, คะการเห็นธรรมนี้ก็มีเห็นได้สี่ขั้นขั้นโสดาบันก็มีขั้นสกิดาคามีก็มีขั้นอนนาคามีก็มีขั้นอนาหารหันต์ก็มีสิ่งที่เห็นก็คืออริยสัจสี่ในแต่ละขั้น ที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าสบู่ไทยคือตันหาของแต่ละขั้นไม่เหมือนกันคำถามข้อที่ห้าข้อสุดท้ายบุคคลอื่นไปทำบุญมาแล้วเขาบอกว่าเอาบุญมาฝากแล้วเราพูดว่าอนุโมทนาสาธุขอถามว่าเราจะได้บุญด้วยไหมคะถ้าได้แล้วได้อย่างไรคะบุญที่เขาทำนี้เราไม่ได้ เพราะบุญของใครเป็นของมันแต่เราจะได้ก็คือที่เราร่วมอนุษย์โมทนาคือชื่นชมยินดีไปกับการทำบุญของเขาทำให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจตามเขาไปด้วยอันนี้ก็เป็นบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาแต่ไม่ใช่เป็นบุญที่ได้จากการทำทานถ้าอยากจะได้บุญจากการทำทานและอนิสงของการทำทานเราก็ต้องทำทานเองถึงจะได้ การร่วมมันนู่นอมุ่นเอาอนุมโมทนาบุญนี้ไม่ได้ทําให้เรามีทานบารมีตายไปชาติหน้าเราก็ยังเป็นขอทานอยู่เพราะเราไม่ได้ทําทานเพีย <c oughs> <c oughs> แต่ร่วมยินดีกับผู้อื่นเขาท่า น, นั้นเอง <c oughs> คือไม่เกิดอาการอิจฉาริษยาหรือรู้สึกเสียดายเงินทองซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเราเช่นสามีไปทําบุญหรือภรรยาไปทําบุญเราไม่อยากให้เขาทำเพราะเสียดายเงิน แทนที่จะได้ความรู้สึกมีความสุขไปกับเขาก็กลับมีความทุกข์ไปกับเขาทุกครั้งที่เขาทําบุญหมดคำถามจากทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทางบ้านละค่ะมีใครอยากกระถามไหมมีใครในนี้ถามได้นะไม่มีแล้วไม่มีก็จะปล่อยให้กับบ้านนะ <S <S <S นะอเ่า น, น, นก็ขอให้ท่านจงนาเมาสิ่ง ที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิษพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ